วันนี้เป็นวันเสาร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตใฝ่ธรรมใฝ่รูปใฝ่ศึกษา ในก็ธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาศึกษามาเรียนรู้ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และนำม า, มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ไม่รู้เพื่อที่จะได้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัต เพื่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตนสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราก็คือใจของพวกเรานี่เอง ใจของเรานี้เป็นของเราจะอยู่กับเราจะไม่มีวันจากเราไปแต่สิ่งต่างๆอย่างอื่นสิ่งอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีของคนที่เรารักก็ดีของบิดามารดาปุยตายายของบุตร ของทิดาของสามีของภรรยาของเพื่อนของใครก็ตามร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวจะต้องมีวันสิ้นสุดไปและสิ่งที่ร่างกายหามาได้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเออ สถานภาพต่างๆตำแหน่งต่างๆยศต่างๆและรางวัลต่างๆสรรเสริญเยินยอต่างๆและรูปเสียงกิจลรต่างๆของพวกนี้เมื่อร่างกายตายไปของพวกนี้ก็จะหมดสภาพจากร่างกายนั่นไป ร่างกายนั้นจะไม่สามารถที่จะไปครอบครองมาเป็นสมบัติเพื่อมาให้ความสุขแก่ตอนเอต่อไปดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญก็คือจิตใจของพวกเราอย่าไปให้ความสำคัญกับร่างกาย และสิ่งอื่นๆมากจนลืมมากมากจนรืมเรื่องใจของเราไปใจของเรานี้ต้องเป็นสิ่งที่มาก่อนเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดส่วนร่างกายนี้เราก็ให้สำคัญเท่าที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายก็พอ ไมนจำเป็นที่จะต้องให้อะไรมากเกินความจำเป็นความต้องการของร่างกายเพราะเรายัางต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่จะมารักษาใจของพวกเราให้อยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ไปตลอด ในขณะนี้พวกเราถูกความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชาไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สาคัญไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่สาคัญเรากลับไปเห็นความสาคัญของร่างกายเห็นความสาคัญของการมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมียศมีตำแหน่ง มีเกียรติมีรางวีรางวัลมีความสุขจากการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงเก่โลดโผฏฐพะชนิดต่างๆจนทำให้พวกเราลืมความสำคัญของใจไปไ ม, ไม่ให้คุณค่าความสำคัญไม่ให้ไม่ดูแลใจปล่อยให้ใจนี้ มาเป็นาธาตุของการดูแลสิ่งที่ไม่สำคัญเอาเอาใจนี้มาดูแลสิ่งที่ไม่สำคัญคือร่างกายดูแลราบยศสรรเสริญดูแลความสุขจากการสัมผัสกับกรูปเสียงกิ่นรสโผภะชนิดต่างๆจนทำให้กระจยนี้ มีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความมิตกมีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากได้เพราะสิ่งต่างๆที่พวกเราใช้ใจให้ไปหามาให้ก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองย ตำแหน่งต่างๆรางวี่รางวัลต่างๆความสุขทางตาหูจมูกิืมกายต่างๆนีเป็นสิ่งที่ไม่ให้ความอิ่มความพอกับใจนั่นเองได้เท่าไหร่แทนที่จะอิ่มแทนที่จะพอกับเกิดความอยากเกิดความหิวความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ดังที่โบราณมีคำพูดไว้ว่าพอได้คืบก็อยากจะได้สอบพอได้สอบก็จะได้วาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความพอดังคำตัดสอนของพระตจ้า ว, ว่าแม่น้อะทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งมีมีความพอ แต่เรื่องของความอยากได้ในสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ได้มากเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอมีแต่ความอยากได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและความอยากนี่แหละที่เป็นตัวคอยสร้างความเครียดสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจ ทั้งๆที่หามาได้จนแบบใช้ไม่หมดใช้ไปอีกสิบชาติร้อยชาติก็ยังไม่หมดแต่ความพอก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมามีแต่ความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมีความอยากมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความเครียดสร้างความนุ่นวายใจให้มากขึ้นไปตามลําดับ จนถ้าไม่รู้จักหักห้ามใจนี้ความอยากนี้จะพาให้กลายเป็นคนบ้าคนเสียสติทำให้กลายเป็นคนบ้าอะไรไปต่างๆบ้าข้างบ้าอำนาจบ้าบ้าเงินบ้าทองบ้าสารรเสริญบ้ากับการหาความสุขและในที่สุดก็จะ พาไปสู่ความหายนะต่อไปเพราะไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งความต้องการนี้ก็อาจจะไม่สามารถได้ตามความต้องการละตอนนั้นก็จะอาจเกิดความเศร้าเกิดความเสียใจอาจจะเกิดความเครียดอาจจะเกิดความคิดอยาก จะฆ่าตัวตายตามมาต่อไปอันนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะไม่ได้เห็นความสำคัญของใจหรือไม่รู้ว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่รู้เสียด้ซ้ำไปว่ามีใจคิดว่าร่างกายนี้คือใจใจคือร่างกาย เป็นสิ่งอันเดียวกันคิดว่าถ้าดูแลร่างกายดีแล้วจะดูแลจิตใจให้ดีต่างไปด้วยคิดว่าถ้าหาสิ่งต่างๆมาให้ร่างกายได้เสพได้สัมผัสแล้วจะทำให้ใจมีความสุขไปด้วยแต่ความจริงมันกลับเป็นตรงกันข้ามการหาอะไรต่างๆ มาผ่านทางร่างกายการให้ความสาคัญต่อการดูแลร่างกายนั้นกับกายเป็นเรื่องสิ่งที่จะมากดดันมาสร้างความทุกข์มาสร้างความเครียดให้กับใจอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้แหละคือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสุลและได้นำเอามาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราอนี้ให้เปลี่ยนทิศทางของการให้ความสำคัญคืออย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกขึ้นกายอย่าไปหาความสุขอย่าการ มีลาบยศมีสารเสริญเพราะว่ามันเป็นความสุขรอมเป็นความสุขที่จะสร้างความทุกข์สร้างความเครียดสร้างความวุ่นวายให้กับใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุดได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความพอต้อง อยากให้ได้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ตามใจอยากก็จะเกิดความเสียใจเกิดความเศร้าใจหรืออาจจะเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาและอาจจะนำพาให้ไปสู่การกระทาบาปชนิดต่างๆต่อไปได้พอไปกระทาบาปแล้ว ก็ยิ่งไปเพิ่มความทุกข์ให้กับใจเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะการกระทำบาป น, นี้เป็นพิษเป็นภัยกับใจเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขใจบางคนคิดว่าอยากได้อะไรแล้วถ้าไม่สามารถไปซื้อหามาได้ก็จะต้องไปรับไปขโมย ไปป้นไปจี่ไปทำอะไรที่สร้ความเสียหายให้แก่ผู้ที่ว่าได้ทำแล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นทางตรงกันข้ามกันทำแล้วทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไปลักไปขโมยก็ต้องคอยหนีหัวซุกหัวซุนเพราะเมื่อลักขโมยแล้วก็กลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเอง อันนี้คือความไม่รู้เรื่องของใจเรื่องของความสุขเรื่องของความทุกข์ของใจเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ถูกสั่งสอนให้ไปหาความสุขทางร่างกายให้เลี้ยงดูร่างกายให้ดีให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง และเพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้ไปหาเงินหาทองต่างๆเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในการหาซื้อความสุขต่างๆนั่นเองแล้วชีวิตก็เลยกลายเป็นชีวิตที่ต้องเครียดต้องดินน้นรนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอย่านี้ขนาดเด็กจะเรียนโรงเรียนอนุบาลยังต้องไปสอบแข่งกันเลย สำหรับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอยากจะเข้าเรียนนี้ต้องให้เด็กแข่งขันสอบกันและบางทีพ่อแม่ก็ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาจ่ายให้กับโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษถ้าอยากจะเข้าโรงเรียนถ้ามีการให้ให อะไรให้อการกับโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษโอกาสที่จะได้เรียนก็จะได้เรียนมากขึ้นกว่าพูดอันนี้แหละเป็นความกดดันชนิดต่างๆที่จะทำให้จะต้องคอยไปเลื่อนลนหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะได้เอามาใช้กับ สิ่งที่ตัวนองคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญอันนี้เป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องขาดความรู้ว่าสิ่งที่สําคัญนั้นคือการดูแลใจดูแลใจเพราะถ้าใจได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วใจนี้จะเป็นใจที่มีแต่ความสุข ใจจะเป็นใจที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากความเว้นวุ่นวายปราศจากความเครียดความเศร้าต่างๆพุทธเจ้าถึงบอกว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าดูแลใจได้ดีแล้วสิ่งอื่นน่าจะขาดศพหมกผ่องไปบ้างก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้าใจมีความสุขแล้วถึงแม้จะขาดแคลนเรื่องปัจจัยสี่เช่นตอนนี้สมมติอยู่ในเขตของน้าท่วมอยู่ไม่ค่อยสุขทางร่างกายเพราะขาดแคลนเรื่องอาหารเรื่องการไปมาไไหนมาไหนแต่ถ้าใจมีความสุขแล้วนใจจะไม่เดือดร้อนไปกับความ เดืดร้อนของทางร่างกา ย, ยสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาแมร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายจะตายไปถ้าใจได้รับการดูแลให้มีความสุขตลอดเวลาแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายนี้ จะไม่มีปัญหากับใจเลยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราดูแลร่างกายได้อย่างดีสามารถหาซื้ออะไรต่างๆมาบำรุงบำเน็ได้อย่างดีแต่ถ้าใจเกิดความเสียใจขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาความสุขความสบายทางร่างกาย การมีทรัพย์มีสมบัติมีข้าวของเงินทองมากมายกายกองเพียงไรก็ตามไม่สามารถมาลบล้างหรือมาทำให้ความเศร้าใจเสียใจเครียดความเครียดหรือความทุกข์ใจต่างๆนี้หายไปได้เลยความสุขความสบายทางร่างกายนี้กลับกลายเป็นของไม่มีความหมายไป เวลาที่ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ดูแลรักษาใจนั่นเองเมื่อแต่ไปดูแลรักษาร่างกายและดูแล ว, วิธีหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขซึ่งการเป็นการหาความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัว ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาเวลาอยากได้อะไรพอได้มาแล้วก็ดีใจเดียวเดียวเดียวไม่นานสิ่งที่ได้มาก็หมดความหมายไปความอยากที่อยากจะได้สิ่งใหม่ก็ผล่ขึ้นมาอีกแล้วพอไม่ได้สิ่งที่อยากได้ขึ้นมาก็ทําให้เกิดความเสียใจขึ้นมาสิ่งที่ได้มาสิ่งที่เคยให้ความสุข ตอนที่ได้มาใหม่ๆนั้นมันไม่สามารถให้ความสุขเหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ๆอีกแล้วเพราะมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่สาคัญไปแล้วสิ่งที่สาคัญก็คือสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ยังไม่ได้แล้วทาไม่ได้ก็ทำให้เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือเรื่องสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบว่า ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขของร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขชั่วค่เดียวเดียวแล้วต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดที่ไม่สามารถเติมความสุขเหล่านี้ได้เวลานั้นก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าใจได้คนที่เกิดอาการซึมเศร้า mm. เบื่อนารไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ mm. ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถหาสิ่งที่เขาต้องการได้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หามาไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้มีแต่ความผิดหวัง ก็นำไปสู่ความเศร้าสู่ความว้าเหวสู่ความซึมเศร้าละสู่ความคิดสั้นต่อไปได้นี่คือโทษของการที่ไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่สำคัญคือให้สำคัญกับเรื่องทางร่างกายเรื่องทางราบยศ ส, สรเสิญเรื่องความสุขทางตาหูจํากลิ้นกายกัน เพราะเป็นการนำพาไปสู่ความผิดหวังความเสียใจไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพึ่งได้ตลอดเวลาบางเวลาเราก็พึ่งได้ ตอนที่เราพึ่งได้เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็มีความสุขกันไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่พอเวลาที่เราพึ่งไม่ได้ <c oughs> เวลานั้นนะมหาวิปโยคคือความเศร้าโศกเสียใจความเครียดความซึมเศร้าต่างๆก็จะตามมาทันทีพระพุทธเจ้านี้ก็เคยอยู่กับชีวิตแบบนี้มาก่อน ตอนที่ประสูติก็ประสูติเป็นพระราชาโอรสเป็นลูกของกษัตริย์ผู้มีฐานะที่ร่ำรวยมียศมีตำแหน่งที่สูงสุดมีผู้คอยสรรเสริญยกย่องมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เสกให้สัมผัสมีบริษัทมีบริวาร คอยรับใช้ตลอด24ชั่วโมงมีปร า, าสาทสามฤดูไว้ให้เปลี่ยนเวลาที่อยู่ตรงนี้ไม่สุขแล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งได้ถ้าที่นี้น้ำท่วมก็มีที่ใหม่ย้ายไปได้มีปร า, าสาทสามฤดูไว้สาหรับอยู่กับตามตามฤดูกาลฤดูร้อนก็มีที่หนึ่งที่อยู่แล้วเย็นไม่ร้อน ดูดูหนาวก็มีที่หนึ่งที่อยู่แล้วไม่หนาวเย็นเย็นสบายแล้วดูหนึ่งที่มีฝนน้ำตกมีฝนตกน้ำท่วมก็มีที่ที่หนึ่งให้อยู่ที่ไม่ต้องเจอน้ำตกไม่ต้องเจอน้ำท่วมฝนตกต่างๆนี่คือความสุขที่พุะเจในขณะที่เป็นพระราชโชรสคือเจ้าชายสิทธัตถานี้ ได้เศษได้สัมผัสมาแต่เนื่องจากพระองค์นี้ทรงมีพระปัญญาทรงเห็นว่าการจะมีความสุขนี้ได้ก็ต้องมีการดูแลรักษาต้องมีอำนาจมีพลังเพราะถ้าอ่อนแอรหรือผู้อื่นที่เขามีอำนาจมีพลังมากกว่าก็า จ, จะถูกโค่นอำนาจได้ การมีอะไรไม่ใช่หมายความว่ามันจะเป็นของแน่นอนมีมากก็มีคนจ้องที่จะคอยแย่งเอา<ม>ก็ต้องคอยมีความวิตกกังวลมีความหวาดระแวง<ม>แล้วต้องคอยเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาคอย ยั่งชิงไปยังไม่ใช่เป็นสภาพที่มีความสุขสบายทางใจเลยอาจจะมีความสุขสบายทางร่างกายแต่ความสุขสบายทางใจนี้แทบจะไม่มีเลยอยู่ที่ไหนต้องมีรอปอพ อ, อคู่คุ้มกันบวอยเฝ้าดูคอยรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา แต่วันดีคืนดีก็อาจจะพลาดได้เราเพอๆเองอาจจะกลายเป็นผู้ที่มาทําร้ายเราก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตแบบนี้เป็นเป็นชีวิตที่ทุกข์ทางใจแต่สุขทางร่างกายถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้เพราะจะดูแต่ความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้นกายความสุขจากการกินการดื่ม การดูการฟังอยู่แต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ดูที่ใจว่าใจรู้สึกอย่างไรใจกังวลไหมใจวิตกไหมใจหวาดกลัวไหมอันนี้ไม่ค่อยมองเห็นกันแต่เห็นก็นานๆทีเม่มีเหตุการณ์รายแรงเกิดขึ้นมีใครบุกรุกเข้ามาในยาวิกา ก็จะทาให้เกิดความหวาดวิตกเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีในเวลาที่มีการมุ่งทําร้ายกันอันนั้นก็จะเป็นเวลาที่เห็นความทุกข์ของใจปรา ก, กฏขึ้นมาและทรงเห็นอีกอย่างนึงว่าความสุขทางร่างกายนี้ก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้าร่างกายอ่อนแอ ร่างกายไม่มีความสมบูรณ์ร่างกายก็จะไม่สามารถรักษาอำนาจมีอำนาจไว้รักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรักษาสถานภาพตำแหน่งต่างๆของตนไว้ได้ก็อาจจะมีผู้ที่เขามีพลังมากกว่ามีกำลังมากกว่า ลุกขึ้นมาต่อสู้และทำลายล้างได้เมื่อทรงเห็นว่าร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ไปเรื่อยๆต้องกลายเป็นคนแก่ต้องกลายเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องกลายเป็นคนตายเวลานั้นถ้าไม่มีผู้ที่แข็งแรงที่เป็นพวกเดียวกันมาคอยดูแลปกป้องเวลานั้นก็จะ กลายเป็นผู้ที่ถูกเข้าลุมทำลายได้อันนี้จึงทำให้พระองค์เห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นวิถีทางการดำรงการอยู่อย่างมีความสุขกลับไปเห็นวิถีทางของพวกนักบวชที่เห็นว่าเขาอยู่กันแบบไม่มีอะไรทางร่างกายไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอไหล ต่างๆให้ต้องคอยดูแลรักษาไม่ต้องคอยหามามาเพิ่มมาเติมมาซอ่อมมาแซงอยู่แบบเหมือนกับอยู่กับสัตว์เดรัจฉานนรงกงนักบวชเขาไม่มีบ้านมีเรือมีช่องเป็นหลักเป็นหลังที่ไหนพอที่จะหลบแดดหลบฝนได้เขาก็อยู่ได้อาหารเขาก็ ขอทานวันหนึ่งตอนเช้าเขาก็ออกขอทานพอมีอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่ได้ไปวันวันหนึ่งเขาก็พอใจแล้วเพราะว่าการอยู่แบบนี้มันทำให้เขาไม่ต้องมาเครียดกับการวุ่นวายกับการคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ไม่ต้องไปหาความสุขอะไรต่าง จากการมีทรัพย์สมบัติ ม, มีเงินทองเพื่อที่จะได้ไปซื้อของหรูหราของแพงๆ ม, มาเสพมาดูมาฟังมากินมาดื่ ม, ม, ม, ม, มเพราะเขามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึง่งคือหาความสุขทางใจนี่เขารู้ว่าการหาความสุขทางใจนี้เป็นวิธีที่จะ ไม่สร้างความเครียดให้กับใจไม่เหมือนกับการหาความสุขทางร่างกายความสุขทางลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นการหาความสุขแบบสร้างความเครียดให้กับใจหาความสุขทางใจแบบไม่เครียดดีกว่าด้วยการอยู่แบบส ม, มถะเรียบง่าย ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆมาบำางบํรเนือร่างกายให้มากเกินความต้องการของร่างกายร่างกายไม่ต้องการอะไรมากเลยต้องการเพียงปัจจัยสี่เท่านั้นเองคืออาหารอยู่ไปวันๆหนึ่งได้ก็พอแล้วเครื่องนุ่งห่มก็มีใส่สักชุดสองชุดก็พอแล้ว ที่ว่าสายที่ไหนพอหลบแดดหลบฝนได้พอป้องการภัยได้ก็พอแล้วยาก็ใช้ยาตามมีตามเกิดยาสมุนไพรต่างๆที่หาได้จากธรรมชาติก็พอที่จะดูแลร่างกายไปได้เพราะว่าต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนก็ตาม ถ้าถึงเวลาที่ร่างกายมันจะตายนี่ยาอะไรก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้มันไม่ตายได้ร่างกายโรคภัยของร่างกายโรคบางอย่างมันก็ไม่ต้องรักษามันก็หายเองได้เป็นแล้วก็หายได้เช่นไข้หวัดนี่ไม่ต้องรักษาอะไรมันขอให้ได้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอร่างกายมีกำลัง มพักฟื้นมันก็จะฟื้นขึ้นมาโรค ก, ก็จะหายไปเองได้โรคบางอย่างก็อาจจะต้องใช้ยาก็หา ย, ยาสมุนไพรมารักษาถ้ารักษาไม่หายก็ถือว่าเป็นโรคที่ไม่หายก็ต้องอยู่ประมันไปแล้วก็ถ้ามันจะทำให้ร่างกายตายก็ห้ามมันไม่ได้ อันนี้คือเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามนี้หรือไม่พ้นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความตายก็ให้มียาดีวิเศษขนาดไหนมีหมอเก่งขนาดไหนมีโรงพยาบาลที่เลิศขนาดไหนก็ตามต่อเมื่อถึงเวลาแล้วคนไข้ก็ต้องตายไป ถ้าไม่ตายก็พวกที่มหาเศรษฐีที่มีเงินมีทองซื้อยาที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดซื้อหมอที่ดีที่สุดซื้อโรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็ไม่ต้องตายกันมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับสิบของโลกวาตานาธิปดีพระราชามหากษัตริย์ต่างๆบุคคลเหล่านี้เขามีกําลังซื้อทางด้านปัจจัยสี่สูง สามารถซื้อยาแพงขนาดไหนก็ซื้อได้เท่ารักษาโรงพยาบาลแพงขนาดไหนก็รักษาได้ให้หมอที่ต้องเรียกค่ารักษาแพงขนาดไหนก็จ่ายได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความตายของร่างกายได้เหตนเราจะไปวุ่นวายไปกับการดูแลร่างกายเพื่อให้มันไม่ตายได้อย่างไร ร่างกายนี้เราดูแลได้เพียงแต่ว่าให้มันอยู่ไปวันวันหนึ่งตามอัตภาพ mm hmm. เวลามันหิวก็หาอาหารให้มันกิน mm hmm. เวลาไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็หาเสื้อผ้ามาใส่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็หาที่อยู่อาศัยมาให้มันเท่านั้นเองทำได้เท่านี้แหละต่อจะให้รวยขนาดไหนมันก็ทำได้เท่านี้จะทำแบบถูกทำแบบแพงมันก็ทำได้เหมือนกัน ห้ามความตายไม่ได้เหมือนกันรวยขนาดไหนก็ต้องตาย<ม>ยากจนขนาดไหนก็ต้องตายเหมือนกัน<ม>นั้นไม่ควรที่จะไปให้ความสำคัญกับเรื่องการเลี้ยงดูร่างกายให้มันมากเกินความจำเป็นความต้องการของร่างกายเพราะมันจะกลายเป็นเครื่องกดดันเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจนั่นเอง ถ้าเราเลียงดูร่างกายแบบปล่อยวางได้ตามมีตามเกิดมันอยู่ได้ก็อยู่มันอยู่ไม่ได้ก็ก็ต้องให้มันตายไปใจเราจะไม่ทุกข์จะไม่เครียดใจเราจะสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะตามหลักความเป็นจริงแล้วใจกับร่างกายก็เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันเป็นเพียงแต่ว่ามามาอยู่ร่วมกันเป็นเหมือนแฝดสยาม ที่ต้องมาเกิดอยู่ร่วมกันท่านั้นเองแต่ไม่ช้าก็เร็ววันหนึ่งร่างกายกับใจก็ต้องแยกทางกันร่างกายก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมของของร่างกายเพราะร่างกายนี้มาจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันมาสร้างอาการสาสิบสองให้กับร่างกาย เรามีธาตุดินน้าลมไฟมารวมกันเพื่อมาสร้างผมขนได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้มาจากการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับขนมเคก้กอย่างขนมชนิดต่างๆนี่ก็มีมีส่วนผสม มีแป้งมีไข่มีนมมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มีขบวนการที่จะมาผลิตมันให้มีรูปร่างลักษณะต่างกันไปเป็นขนมเค้กขนมไข่ขนมอะไรต่างๆมากมายกายกองก็ต้องมีพวกวัตถุดิบเหล่านี้ต้องมีต้องมีแป้งมีน้ำตาลมีอะไรต่างๆฉันใดร่างกาย หรือสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาในที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นการผสมปรุงแต่งของดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดร่างกายของมนุษย์นี่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ต้องมีปัจจัยสีน่นี้ต้องมีธาตุสีนี้มารวมกันและสิ่งที่ไม่มีวิญญาณมาเกาะเช่นต้นไม้ ดอกไม้ใบหญ้าผ ล, ลไม้ต้นผ ล, ลไม้ต้นอะไรต่างๆก็ต้องมีดินน้ําลมไฟไปปลูกต้นไม้ถ้าไม่มีดินปลูกปลูกได้ไหยไม่ได้ถ้ามีดินปลูกแล้วไม่มีน้ํารดมันจะขึ้นไห ม, มถ้ามันเป็นอากาศหนาวแบบทิมะตกอย่างนี้มันจะโตขึ้นมาได้ไหมมันต้องมีแล้วถ้าไม่มีอากาศให้มันหายใจมันจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ ของทุกอย่างในโลกนี้ที่มันอยู่มาได้เป็นมาได้นี้มันเกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสีน่นี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายของพวกเราก็เช่นเดียวกันมันก็อาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เราคอยเติมอยู่ตลอดเวลาเวลาเราหายใจเข้านี่เราก็เติมธาตุลมเข้าไปแล้ว เวลาเราดื่มน้ำเราก็เติมธาตุน้าเข้าไปเวลาเรารับประทานอาหารเราก็เติมธาตุดินพร้อมกับธาตุน้ำพร้อมกับธาตุไฟเพราะอาหารนี่เราก็ปรุงล้วก็หุงต้มมันให้มีความร้อนเวลากินเข้าไปบางทีร่างกายเราก็เหงื่อแตกเพราะเอาของร้อนเอาธาตุไฟเข้าไปในร่างกายแล้วเวลาธาตุทั้งสี่นี้รวมกันอยู่ในร่างกาย มันเวลามันมันรวมกันมันก็ทําให้เกิดมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆธาตุไฟนี้เกิดจากการอ<ม>ปฏิกิริยาของธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมจึงทําให้มีธาตุไฟนี่แหละคือร่างกายของพวกเราอ ม, มันไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนต้นไม้เหมือนกันทํามาจากดินน้ําลมไฟเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีใจมา เกาติดอยู่ด้วยน่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปหลงคิดว่าใจเองเป็นร่างกายใจคิดว่าร่างกายเป็นใจและคิดว่าร่างกายเป็นผู้รู้ผู้คิดคิดว่าเป็นใจแต่ความจริงไม่ใช่ร่างกายคิดไม่เป็นรู้ไม่เป็นมีใจนี่แหละเป็นที่ผู้รู้ผู้คิดที่มาครอบครองร่างกาย เัราใจต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับใจนั่นเองความสุขที่ที่เกิดจากความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าการได้ความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายคือได้รูปเสียงกลิ่นลดแล้ ว, ลวจะทำให้ใจมีความสุขแต่ไม่แต่ทางที่จะมีความสุขกับกายเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเครียด สร้างความมุ่นหายใจให้กับใจอยู่เรื่อยๆอย่างไม่รู้สึกตัวอันนี้แหละคือใจกับร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าตัวที่สำคัญนี้คือใจเพราะใจนี้มันไม่ตายไปกับร่างกายมันไม่ย่อยสลายไปเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้ถึงเวลามันก็ต้องแยกสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ เวลาคนตายนี่ถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆนี่ลมก็ไม่เข้าละธาตุลมไม่เข้ามีแต่ธาตุลมที่จะระเหยออกมาผ่านทางร่างกายแล้วก็มีธาตุไฟก็หายไปร่างกายของคนตายนี้จะเย็นกว่าร่างกายของคนเป็นคนเป็นไปจับร่างกายคนตายของคนตายจะรู้สึกว่ามันเย็นแสดงว่าธาตุไฟหยุดบวดแล้ว เหลืออยู่อีกสองธาตุที่จะแยกกันก็นคือธาตุน้ำกับธาตุดินถ้าปล่อยทิ้งไว้มันธาตุน้าน้ำก็จะไหลออกมาจากทาวาวรต่างๆจนในที่สุดก็จะเหลือแต่ธาตุดินร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วก็ทิ้งต่อไปมันก็จะผุจะพังกลายเป็นดินไปนี่แหละคือร่างกายของพวกเราทุกคน มันไม่ใช่ตัวเราเราคือใจเราไปคิดว่ามันเป็นเราเราคือผู้รู้ผู้คิดเราเพียงแต่มาครอบครองร่างกายนี้เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไว้หาความสุขให้กับใจแต่แทนที่จะหาความสุขอย่างเดียวกับการหาความสุขที่มีความเครียดมีความทุกข์พ่วงมาด้วย ทุกวันที่เราเครียดกันนี้ทุ ก, กันนี้ก็เพราะาคอยหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายคอยหาความสุขจากรายกยศสรรเสริญกันนั่นเองเพราะเวลาอยากได้ก็ต้องดิ้นรนอยู่เฉยเฉยไม่ได้พออยากจะมีเงินจะอยู่เฉยเฉยนอนกินแล้ว น, นอนไม่ได้เพราะถ้ากินแล้ว น, นอนไปเรื่อยๆืเดี๋ยวเงินก็หมด ไม่มีพอเงินหมดก็กินน็นอนไม่ได้คิวก็ต้องไปดิ้นรนไปหาเงินหาเงินมันหาง่ายที่ไหนต้องไปสมัครงานหางานทำงานบางทีก็ไม่ได้รังใจอยากอยากจะทำงานแบบนี้ก็ไม่ได้ต้องไปทำงานแบบที่ไม่อยากได้งานดีๆมันหายากงานสบายงานชี้นิ้วงานใช้มือเขียนนีมันหายาก อนหนึ่งตัวเองก็ต้องมีความรู้มีความสามารถถ้าไม่มีความรู้ความสามารถก็ต้องไปเรียนหนังสือก่อนเองก็ต้องไปทุกกับการไปหาโรงเรียนเข้าโรงเรียนสมัยนี้ก็ต้องไปแข่งขันกันตั้งแต่อนุบาลอยากจะเข้าสาธิ ต, ธตหรือโรงเรียนสาธิตนีมีคนจะอยากเข้ากันนั้นก็มีชื่อมีเสียงหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปเรียนโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติก็ค่าใช้จ่ายก็สูงอีก ถ้าไม่มีเงินก็เรียนไม่ได้เพราะมันมีแต่สารพัดปัญหาเกิจมาแล้วนี่มันมีแต่สารพัดปัญหาถ้าเรามามุ่งไปหาความสุขทางลาบยศสารเสริญมุ่งความสุขมาทางลาหูจมูกทิ้นกายนี่ปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยอยาเชื่อไหมว่าถ้าเรามาส่งลูกเราไปหาความสุขจากความสงบนี้จากทางใจนี่ง่ายเหลือเกินส่งใบบวชเนเท่านั้นจบ ก็ไม่ต้องไปแย่งด้วยไม่ต้องไปแข่งสอบกันวันไหนไปฝากให้หลวงพี่หลวงพ่อบวชให้ก็อยู่ได้นะอยู่พอเป็นเนนก็หากินเองได้แนละ้วเช้าก็บินสบายเดินตามพระไปจีวรก็มีใสเครื่องนุ่งห่มก็มีใส่ที่อยู่ก็มีสอยู่กุฏิเวลาไม่สบายก็มียาญาติโยมนามาถวายเยอะแยะไปหมดง่ายทางง่ายกับไม่ชอบไปกัน ทางง่ายแล้วเป็นทางทางจริงทางที่จะให้ความสุขจริงกับไม่ไปนี่องส่งลูกไปบวชเรียนกันดีกว่าไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนสาธิตไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนนานาชาติหรอกพราะกว่าจะเรียนจบนี่หมดไปกี่แสนกี่ล้านนี่ส่งลูกไปบวชที่วัดนี้ไม่ต้องเสียแม่ตอยแต่บาทเดียวแล้วก็ลูกเขาก็อยู่กิจของเขาได้เลี้ยงดูตัวเขาเองได้เขาก็เรียนรู้วิธีทําเจำ ทำสร้างความสุขให้กับใจว่าทําอย่างไรเขาก็ทําไปของเขาเองได้แล้วเขาก็อยู่ไปจนแก่ตายได้พระบางรูปนี้บวชมาตั้งแต่เป็นเนรสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนสมเด็จพระญาณสังวรผู้สร้างวัดนี้ท่านก็บวชเป็นเนนมาก่อนพอพอพอโตพอบวชเนนได้แม่พอ่อแม่ก็ส่งจับไปบวชเลยบวชแล้วพ่อแม่ก็สบายแล้วไม่ต้องมากังวล ไม่ต้องมาขอยดิ้นลนหาเงินหาทองมาส่งเสียเล่าเรียนดีไม่ดีลูกกลับมาส่งเสียพ่อแม่ได้บินทบาทเหลือกินเงาี้มาฝากพ่อแม่ได้ทางที่ดีทางที่ง่ายทางที่ถูกที่ควรกลับไม่ชอบทำกันชอบไปในทาในทางที่ยากทางที่จะนำไปสู่ความเครียดทาง ทางที่จะนําไปสู่ความสิ้นหวังผิดหวังทางที่จะนําไปสู่ความสิมเศร้าทางที่จะนําไปสู่ความทุกข์นี้ชอบไปกันพวกเราเนี่ยถ้ามองว่าดุอนาคตอนาคตของพวกเรามันจะเป็นยังไงเราจะต้องเจอเรื่องของความผิดหวังต่างๆเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วพอเราไปเจอ ช่วงที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เวลานั้นเราจะคิดสั้นกันไม่อยากจะอยู่กันจะคิดฆ่าตัวตายกันก็ดูประเทศที่เขาเจริญทางราบยศเสรรสริญสุขประเทศที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพมาบำรุงบำเรอกันเยอะแยะไปหมดแต่พอถึงเวลาแก่นี่ไม่สามารถที่จะไป เที่ยวไปเกินไปดื่มเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้มีแต่โรคภัย ไ, ไข้เจ็บเบียดเบียนโรคมะเร็งโรคความดันโรคหัวใจโรคอะไรสารพัดโรคจึงทําให้ไม่อยากจะอยู่อ ย, อยู่แล้วทรมานอยู่แล้วมีแต่ความทุกข์เพราะไม่รู้จักวิธีอยู่กับความไม่สบายของร่างกายไม่เคยเรียนรู้วิธีว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในวันใดวันหนึ่ง น่าจะต้อง <c oughs> รู้จักวิธีอยู่กับมันให้ได้ถ้ารู้จักวิธีอยู่กับมันแนละ้วใจจะไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยใจจะเบิกบานแจ่มใสเหมือนกับร่างกายไม่ได้เป็นอะไรแต่เพราะว่าไม่ให้ความสำคัญ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการสอนใจให้รู้เรื่องราวเหล่านี้นั่นเองมัว <c oughs> แต่หลอกให้ใจไปหาความสุข ผ่านทางร่างกายผ่านทางลาบยกสารเสรินผ่านทางตาหูจมูกนิ้งกายพอมาเจอปัญหาเข้านี้แก้ไม่ตกวิธีแก้ก็แก้ผิดวิธีแก้ก็ให้ฆ่าตัวตายกันอย่างนี้ประเทศที่เขาล่ำรวยเขาคิดว่าเขาเก่งเขาฉลาดให้ออกกฎหมายอนุญาตให้ฆ่าตัวตายได้ให้หมอช่วยให้ยาฉีดยาให้ คนที่อยากจะตายได้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะว่ามันอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วขาวทำให้ตายให้ร่างกายตายแต่อย่าไปคิดว่ามันจบตรงนั้นมันไม่จบเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ต่อไปและเวลาไปเกิดใหม่ก็จะไปทำแบบเดิมอีก ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออุปสรรคเจอความแก่ความเจ็บความตายหรือเจอการสิ้นเนื้อปดาทัวล้มละลายไม่มีเงินไม่มีทองตอนนั้นก็จะมากล้ากันหาแบบเดิมอีกก็มาฆ่าตัวตายอีกตามหลักธรรมคำสอนท่านตัดไว้ว่า ถ้าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติเพราะมันจะแก้ปัญหาแบบวิธีเดียวกันพอชาตินี้ตายพอมีทุกข์ก็แค่ฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์กันเดี๋ยวชาติหน้าก็กลับมาเกิดใหม่พอมาเจอทุกข์อีกก็ฆ่าตัวตายและไม่ต้องรอแก่ด้วยเดี๋ยวนี้คนบางคนฆ่าตัวตายตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบเนี่ยเด็กสมัยนี้เครียดไหมเด็กนักเรียนเนี่ย ควาเครียดที่จะต้องเรียนเพื่อเข้ามาหาลัยกันมีการแข่งขันกันสูงพอพอไม่สามารถสอบผ่านได้ก็เครียดอับอายขายหน้าพ่อแม่บางขายหน้าเคพื่อนฝูงบ้างก็คิดฆ่าตัวตายอันนี้แหละเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดในภพนี้ชาตินี้คนที่ฆ่าตัวตายนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้วในอดีตแต่ไม่สายเกินไปสําหรับชาตินี้ ถ้าเคยมีนิสัยฆ่าตัวตายแต่ถ้าได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้ายิ่งพบได้ตั้งแต่ตั้งแต่ยังวัยววนี้ก็จะดีเพราะจะมีเวลาได้ศึกษาได้แก้วิธีแก้ปัญหาความทุกข์ใจแทนที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ใจด้วยการฆ่าตัวเองก็จะแคบปัญหาความทุกข์ใจด้วยการไปดับความทุกข์ใจความทุกข์ใจมันมีเหตุที่ทาให้เราทุกข์กัน เหตุที่ทำให้เราทุกข์กันก็คือความอยากต่า ง, างๆเหล่านีอ้อยากเข้ามาหาลัยพอเข้าไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจอับอายขายหน้าก็อยากจะฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราไปหยุดความอยากเข้ามาหาลัยเสียก็หมดไม่เข้าก็ไม่ตา ย, ยก็ยังอยู่ได้ไม่ได้ไปเรียนมาหาลัยอันนี้ก็มีมาหาลัยอื่นให้เรียนอีกเยอะแยะไปหมด มหาลัยแบบที่ไม่ต้องสอบเข้าเข้าก็มีเรียนตามกำลังของเราแล้วก็ไม่ต้องลำ่ำไม่ต้องรวยมีมหาวิทยาลัยเปิดต่างๆเรียนไปทำงานไปก็ได้มีมีทางเลือกทางออกตั้งเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องจบจากมหาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วได้งานทำที่ดีพอไปเจออุปสรรคไปเจอความผิดหวัง เจอปัญหาเข้าก็แก้ไม่ได้ก็ต้องแก้ด้วยการฆ่าตัวตายเลยนี่คือสิ่งที่ที่ธรรมะคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีความจําเป็นมีความสําคัญต่อจิตใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างมากพวกเราจึงไม่ควรมองข้ามธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าควรที่จะเข้าหาศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้ดาเนินไปในทางที่ถูกไปในทางที่ปลอดภัยที่เราจะไม่ต้องไปเจอกับความคิดที่จะต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าศาสนานี้จะสอนให้เรานี่ไม่ให้ไปหลงไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางล่างกายทางลาบยศสารเสริญให้เราเน้นมาหาความสุขจากใจ พยายามาฝึกสมาธิฝึกใจฝึกสติทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขแล้วจะไม่มีความหิวความอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองราบยศสรรเสริออะไรต่างๆสามารถอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่รู้สึกเหนาไม่รู้สึกว้าวเวไม่รู้สึกซึมเศร้าเราะ่ะ น, นั้นเองเรื่องง่ายๆท่นี้ถ้าเราศึกษาธรรมะคาสอนพเจ้าแล้ว ท่นจะสอนว่าให้พวกเราทางร่างกายก็ให้อยู่แบบมากน้อยสันโดษกันพอมีพอกินตามฐานะของเรา <c oughs> มีมากอยากจะกินมากก็กินไปแต่ไม่กินมากจะดีกว่ากินมากแล้วเดี๋ยวมันติดเวลาไม่ได้กินมากมันก็จะทุกข์ได้ให้กินน้อยๆกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยเพราะการกินอะไรมากๆนี้กลับกลายเป็นโทษกับร่างกาย ร่างกายก็จะมีน้ำหนักเกินแล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคต่างๆที่เกิดจากการกินมากเกินไปโรคเบาหวานโรคความอ้วนโรคไขมันอุดตันโรคหัวใจโรคความดันเป็นผลที่เกิดจากการกินมากเกินไปไม่มากน้อยมากน้อยก็กินพอให้มันหายหิวก็พอเวลาหิวข้าวก็กินพอหายหิวแล้วก็อยุดอย่าไปกินให้มันทัง น, นั่นท้องท อิ่มท้องอยังทั้งรู้สึกท้องมันจะแตกกินไม่ลงแล้วถึงจะหยุดอย่างนี้เรียกว่ากินมากเกินไปกินพอดับความหิวพอพอพอกินแลรู้สึกว่าไม่หิวแล้วไม่ต้องถึงกับอิ่มพอไม่หิวแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปสักแก้วนึงมันก็รู้สึกอิ่มขึ้นมาเองถ้ากินแบบนี้แล้วมันจะไม่กินมากมันจะไม่ไปทําให้ร่างกายนี้ เ, เจ็บไข้ได้ป่วยจากการกินอาหารมากเกินไปมักความมากน้อยนี่มีคนมีประโยชน์มาก เมื่อเราต้องการน้อยเราก็ดิน้นรนน้อยไม่ต้องไปหามากใช้เงินน้อยก็ไม่ต้องไปทำงานมากทำงานมากมันก็เครียดมันก็เหนื่อยดังนั้นกินใช้ของมักน้อยเนี่ยมันดีเสื้อผ้าก็เอาน้อยๆเอาสักสองสามชุดก็พอที่อยู่อาศัยก็ที่อยู่ถูกๆไม่ต้องไปซื้อคอนโดหลังก็ยี่สิบล้านสามสิบล้านนะ เชาาบ้านห้องพักเดือนละสองสามพันนี่ก็อยู่ได้แล้วสบายแล้วมีห้องน้ำมีห้องนอนแค่นี้ก็พอแล้วลบแดดลบฝนได้ลบภายแรงต่างได้ก็พอเอาเวลามาฝึกสมาธิ ด, ดิว่าเอาเวลามานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมยิ่งฟังมากยิ่งเข้าใจมากจะยิ่งนำไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้นยิ่งปฏิบัติมากยิ่งมีความสุขมากขึ้นทางใจนี่ ในความสุขทางใจไม่ต้องใช้เงินทองซื้อเลยไม่ต้องมีราบยศสารเสริญไม่ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถทำใจให้มีความสุขได้ถ้ารู้จักวิธีทำแล้วสามารถเพราะว่าการทำใจให้สุขมีความสุขนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ราบยศสารเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสต่าง มาให้ความสุขใช้สติเพียงอย่างเดียวฝึกสติให้มากคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้เท่านั้นเอง<ส>พอหยุดความคิดได้ใจจะนิ่งใจจะเย็นใจจะสบายใจจะเบาจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขอันไหนที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความนิ่งเฉยของใจนี่เลยตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยได้เจอกับความสุขแบบนี้มาก่อน พอเจอแล้วจะจะติดใจจะทำให้สามารถอยู่แบบมากน้อยสันโดดได้ไม่ขวนขวายอะไรมากเกินไปดูแลเพียงแต่ดูแลอัตภาพร่างกายให้อยู่ไปได้วันวั น, วนงก็พอแล้วก็เอาเวลานี้มาให้กับการศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญสตินั่งสมาธิบ่อยๆแล้วก็จเจริญปัญญา เพื่อให้ปล่อยวางเพื่อจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆคือร่างกายและจิตและสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกเพราะว่าใจนี้ยังไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของใจยังไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายยังไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ต้องศึกษาด้วยปัญญา เพื่อให้เข้าใจแล้วจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับร่างกายกับความรู้สึกและกับความกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจให้รู้ว่าของเหล่านี้มันเป็นของที่เป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์มีอารมณ์ดีอารมณ์เสียมีอารมณ์สงบอารมณ์วุ่นวาย ของเรเหล่านี้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเป็นไปบางอย่างก็ไปแก้มันไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปกับสภาพมันบางอย่างที่บางอย่างที่เราแก้ได้ป้องกันได้เราก็ทำไปต่อไปใจของเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์กับเรื่องของที่ใจยังเกี่ยวข้องด้วยก็คือเรื่องของร่างกายเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ต่าง จะรู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างอย่างสบายคือจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับอะไรอีกต่อไปเพราะเข้าใจธรรมชาติของเขาเข้าใจว่าเขาเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเป็นไปอย่างนั้นเหตุปัจจัยบางอย่างเราแก้ได้เราก็แก้ไปเหตุปัจจัยที่เราแก้ไม่ได้ก็ต้อง ทำใจอยู่กับภาวะนั้นไปภาวะต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะมาทำลายใจของเราได้สิ่งที่จะทำลายหรือทำให้ใจของเราทุกข์ก็คือความไม่เข้าใจภาวะต่างๆนี้เท่านั้นเองพอเราเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามตามภาวะของเขาตามสภาพของเขาใจเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะเย็ยนจะสงบจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอด ร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนความรู้สึกจะสุขจะทุกข์จะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เดือดร้อนอารมณ์จะดีอารมณ์จะเสียอารมณ์จะสงบหรือไม่สงบก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้กับทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขไปตลอดแล้วก็ทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่มีความสุขจากความสงบนี้ก็จะไม่หิว กับลาบยศสรรเสร์นไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผูตรภะต่างๆก็ไม่ต้องไปมีร่างกายกต่อไปไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อีกไม่รู้ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะถ้ายังมีความอยากในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผูตรภะอยู่ก็จําเป็นที่จะต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปมีร่างกายใหม่ มีร่างกายใหม่ก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายพอร่างกายตายก็ไปมีใหม่อีกเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือวิถีชีวิตของใจของพวกเรานมีทางไปอยู่สองทางจะไปหาความสุขทางร่างกายหรือไปหาความสุขจากความสงบก็อยู่ที่เราเป็นผู้เลือกตอนนี้เราโชคดีเรามีผู้นาผู้สอนให้เรารู้ว่าเรามีทางเลือก เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปจบลงด้วยความเศร้าโศกเสียใจด้วยการฆ่าตัวตายเรามีทางหนึ่งคือทางแห่งความสงบของจิตใจถ้าเราไปทางนี้แล้วเราก็จะไปสู่ความสุขความสงบที่ถาวรไม่ต้องกลับมาเจอกับการแก่เกิดแก่เจ็บ ต, ตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของความสำคัญของใจที่พระเจ้าได้ ส่งคนพบและนำเอามาสั่งสอนพวกเราขอให้พวกเราน้อมนำเอาไปศึกษาและเอาไปปฏิบัติแล้วสิ่งที่เราปรารถนาก็คือความพ้นทุกข์ความมีแต่ความสุขไปตลอดนี้ก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวะเววะหาภูรากาลิกุเณติสากดังเอวามิวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิช e ิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาวาโสยาถาณิโชติ ภราสยาธาสพิตโยวิวัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตายยสุขีทีคายุโปภวอภิวัตนสีลิสานิจังุทธาปจายโนัตารโหธามาวทานติอายุวันโสุขัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะถามต่อเพราะฉะนั้นใครอยากจะถามอะไรขอให้ถามในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้รับฟังทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ460ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์239ท่าน YouTube Dr.V c h ว anel 78ท่านวิทยุออนไลน์7ท่าน คลับเฮาสสิบห้าท่านผู้รับฟังหน้ากุติหนึ่งร้อยสิบท่านรวมเก้าร้อยเก้าท่านค่ะก็มีอะไรก็ถามได้เลย คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะนั่งสมาธิตั้งแต่ปี 2,555 ถึง 2,565 ได้แต่นั่งนิ่งๆหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง20ินาทีอยู่แบบนี้มาเป็นสิปีแล้วจะทำอย่างไรดีคะต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นต้องใช้เวลาให้กับการเจริญสติซึ่งเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย การเจริญสติก็คือให้ใจเราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธคลืมตาขึ้นมาก็พุทโธเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาเตรียมตัวไปทํางานก็พุทโธไปอาบ น, น้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธคอยควบคุมอย่าให้คิดอะไรต่างๆแม้กระทั่งเวลาทํางานถ้า มีเวลาไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้คิดถ้าเราฝึกสติแบบนี้ได้เวลานั่งสมาธิจะนั่งได้นานแ้ะนั่งได้บ่อยคำถามจากทางบ้านค่ะหนูภาวนาบางครั้งเห็นลมชัดที่จมูกบางครั้งลมชัดที่ท้องบางครั้งเห็นลมทั้งจมูกและท้องต้องทำอย่างไรดีคะเอาที่เดียวชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไร ดูที่ไหนถ้าดูที่ท้องก็ดูที่ท้องไปอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนใจมันก็จะกิ้งไปกิ้งมาไม่นิ่งต้องให้มันอยู่ที่เดียวอยู่ที่ท้องก็ได้อยู่ที่จมูกก็ได้มันจะชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่ชัดเดี๋ยวมันก็ชัดเองเดี๋ยวมันชัดแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ชัดได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้ดูที่ที่เดียวกลังรู้ว่ามันชัดหรือไม่ชัดถ้าไม่ชัดก็รู้ว่าไม่ชัดถ้ามันชัดก็รู้ว่ามันชัด ก็รู้แค่นั้นแหะไม่ให้เปลี่ยนอะไร ไ, ไม่ให้คิดอะไรคำถามต่อไปค่ะถ้าเราฟังเทศของครูบาอาจารย์บางรูปทางด้านปฏิบตัติจากอดีตและปัจจุบันในหัวข้อที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันเพื่อเรียนรู้มุมมองและแนวทางของครูบาอาจารย์เหล่านั้นและนำมาปฏิบัติกล่อมกลาวจิตใจการกระทำอย่างนี้ถือว่าจะทาให้สับสนได้ไหมคะ ถ้าคำสอนมันขัดกันมันก็สับสนนั่นเองถ้าไม่ขัดกันมันก็ไม่สับสนถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันมันก็ไม่สับสนแต่ถ้าสอนไปทางคนละทิศคนละทางมันก็สับสนเราก็จะเลือกจะไปทางไหนดีถ้าเกิดมี g ีพีเอสองอันในรถจะทําไงคนหนึ่งวให้เลี้ยวซ้ายคนนึ่งวให้เลี้ยวขวาก็ต้องปิดสักอันนะเอาเอาเอาตัวไหนสักอันหนึ่ง งั้นมีสองตัวมีสามตัวยิ่งยุ่งใหญ่เลยถ้าเกิดมันบอกไม่ทันไม่ไม่ปฏิทิศทางเดียวกันจะทำยไงคำถามจากคุณแม่จ๋าแม่หนูทุกใจกับพี่ชายมากเวลามีปัญหาอะไรก็จะมาเล่าให้หนูฟัง บางครั้งก็อารมณ์เสียใส่หนูแต่หนูก็เฉยเฉยหนูทำถูกแล้วไหมคะขอพระอาจารย์แนะนำค่ะเราต้องปลอบประโลมแม่เรารักแม่เราต้องสงสารแม่แม่มีความทุกข์มาระบายให้เราฟังเราต้องรีบฟังแล้วก็ถ้าช่วยปลอบประโลมได้ให้แม่สบายใจขึ้นก็ทำไปอย่าเฉยเฉอย่างเดียวนอกจากว่าเราพูดไปแล้วมันไม่ดีมันทำให้แม่ก็ยิ่งเสียใจยาก็อย่าพูด ถ้าพูดแล้วทำให้แม่เขาสบายใจก็พูดไปคำถามต่อไปค่ะอยากให้พระอาจารย์บอกวิธีจัดงานศพที่ได้บุญจริง ๆ, จงๆเจ้าค่ะไม่ได้บุญหลังงานศพคนตายมันจะได้บุญไรต้องทำบุญตอนที่ยังไม่ตายจะถ้าทำบุญให้คนตายอย่าไปทำให้เสียเวลาที่ทำนี้ทำให้คนเป็นคนที่ทำน่ะได้บุญคนตายได้นิดเดียวบุญที่เราแบ่งไปเป็นแบบเป็นน้าก้นแก้วอย่างนี้ บุญบุญที่น้ำทั้งแก้วนี่ส่วนใหญ่เป็นของเราหมดส่วนที่เหลือที่มันติดในแก้วค้างอยู่ในแก้วนั่นนะเป็นบุญที่เราแบ่งให้เขาได้เพราะฉะนั้นอย่ารอตายแล้วค่อยมาทําบุญทําไม่ได้แล้วอย่าร้อยคนหนึ่งก็ทําทให้เราเพราะทได้นิดเดียวให้ทําตอนนี้เลยเนี่ยทําทําตอนนี้ได้ร้อยทั้งร้อยเลยเวลาตายไม่ต้องมีไม่ต้องมีบุญออไปเผาเลยจับเข้าเตาเผาไปเลยไม่ต้องนิมนต์ผ้ามาสวด อันเสียเวลาถ้าจะทําให้กับคนตายไม่มีประโยชน์อะไร mm hmm. ทําให้ประโยชน์ให้คนตายก็คือเผาให้ร่างกายเขาหมดสภาพไปเลยพะ mm hmm. ปล่อยทิ้งไว้มันก็จะมันก็จะเน่ามันก็จะสโปรกเราต้ mm hmm. องกําจัดร่างกายไปงั mm ้น hmm. ถ้าอยากจะทําบุญทําตอนเป็น mm hmm. อยา่าไปทําตอนตายทําตอนตายเนี่ยคนตายไม่ได้บุญคนเป็นจะได้ mm hmm. คําถามต่อไปค่ะ ตอนนั่งสมาธิจิตนิ่งไปสักพักแล้วเกิดอาการปวดที่ขาขึ้นมาจนจะทนไม่ไหวต้องออกจากสมาธิต้องพิจารณาและต่อสู้แบบไหนคะที่ทนไม่ไหวเพราะเราไปอยากให้มันหายถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายอย่าไปสนใจมันเราอยู่กับพุโทโธไปถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปไม่ต้องผลสนใจมันเจ็บไม่เจ็บก็เรื่องของมันถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับมันใจเราจะไม่เดือดร้อน แล้วใจเราก็จะอยู่ต่อไปแล้วอาจจะเข้าสู่ความสงบได้ขอเรียนถามวิธีปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมหรือฟังธรรมสําหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยเจ้าค่ะ อ, อสายไปแล้วตอนที่ไม่ซึมเศร้าแล้วมาเรียนตอนที่ซึมไม่ซึมเศร้าไปเที่ยวไปเล่นกันพอซึมเศร้าแล้วมันจะมาเรียนเรียนได้ยงไงมันมีกระติกกระใจจะเรียนนะนก็เปิด เปิดให้เขาฟังไปเนี่ยเปิดธรรมะที่เราคุยกันเนี่ยเปิดให้เขาฟังไปเขาจะฟังก็ไม่ฟังก็เรื่องของเขานะคําถามต่อไปค่ะที่พระอาจารย์กล่าวว่าสติกับสมาธิคือคนละตัวกันสตสิคือเหตุสมาธิคือผลขอพระอาจารย์ชี้แนะขยายความเจ้าค่ะเราจะขยายอะไรมากกว่านั้นนะสติก็คือเหตุสมาธิก็คือผ ล, อผลเวลากินก็เป็นเหตุเวลาอิ่มมันก็เป็นผลใช่ไหม เวลากินข้าวเนี่ยถ้าไม่กินข้าวมันจะอิ่มไหมไม่อิ่มใช่ไหก็เหมือนกันถ้าไม่เจริญสติมันก็จะไม่ได้สมาธิเพราะถ้าไม่มีสติใจก็ไม่นิ่งไม่หยุดคิดงั้นต้องใช้สติหยุดคิดพอหยุดคิดได้มันก็เป็นสมาธิขึ้นมา จากคุณชิดชัยค่ะถ้าชาติหน้ามีจริงจิตใจนิสัยเก่านิสัยเดิมที่เคยทําบุญทําบาปก็จะติดตัวมาด้วยใช่ไหมครับคนชอบทําบุญก็จะทําแต่บุญก็จะลําบากคนที่ชอบทําคนที่ชอบทําบุญก็จะทําแต่บุญค่ะใช่มีนิสัยอะไรก็ติดมาเนี่ยคนเราจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนชอบกินเหล้าบางคนชอบเข้าไว้บางคนชอบ ชอบไปเที่ยวบางคนก็ชอบไปทาบุญแต่ละคนเคยทำอะไรมาก็จะชอบคนละอย่างไปชอบสีเขียวบ้างชอบสีแดงบ้างชอบสีฟ้าชอบสีขาวหนึงแต่งตัวไม่เหมือนกันมีสีสันหลากหลายด้วยกันเพราะนี่เป็นนิสัยเดิมความชอบความชังนี้มันติดมากับเราไม่ชอบอะไรมันก็จะไม่ชอบไม่เคยชอบมาก่อนก็จะไม่ชอบ จากคุณแอนนี่ค่ะการมีสติดูจิตอารมณ์ความคิดในชีวิตประจำวันแล้วเรามีหน้าที่แค่ดูมันเกิดแล้วดับแบบนี้ไปตลอดใช่ไหมคะหรือต้องทำแบบไหนเพิ่มคะไม่ใช่หรอกการดูจิตก็ให้ดูกิเลสว่าตอนนี้เราโลภหรือเปล่าเราโกรธหรือเปล่าเราหลงหรือเปล่าถ้าโลภหยุดมันได้ก็หยุดโกรธหยุดมันได้ก็อยู่อย่าปล่อยให้มันโลภอย่าปล่อยให้มันโกรธถ้มั น, าม น, นามลามไป าเเป็นนรื่่่อองใหญตขึ้มาจากคุณติวเตอร์ค่ะแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงดิฉันนําสวดมนต์เช้าและสวดมนต์เย็นกุศลตรงนี้หากท่านเสียชีวิตไปท่านจะได้กุศลติดตัวไปหรือเปล่าคะก็อยู่ว่าท่านสวดไปกับเราหรือป่าหรือท่านนั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าใจไม่ได้สวดไปกับเรามันก็ไม่ได้อะไร ถ้าอยู่กับการสวดไปแล้วใจเย็นใจสงบก็ได้ได้ความสงบได้ความเย็นติดตัวไปจากคุณแอนตอนนั่งสมาธิไปสักพักจะชอบลืมตาพอจะมีวิธีแนะนําไหมคะก็อย่าลืมเลยอย่าไปแนะนําไงก <c oughs> ็อยู่กับพูดโธไปพูดโทไปอย่าไปสนใจมันอยากก็อยากก็ต้องฝืนความอยาก พุทโธพุทโธไปอย่าไปให้ทำตามบางอย่างจากคุณภูมิค่ะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธสามารถทําจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ไหมครับลองทําดูซิของพิสุทธ์ด้วยตัวได้ด้วยตัวเองไม่ถามคนอื่นทำไมมันกินขนมวันนี้อร่อยไหมถามเในจัวัดตายก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยไม่อร่อยถึงแม้ก็จะบอกอร่อยแต่ถ้าเราไม่กินเราก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่า ทำไปเลยของบางอย่างเราพิสูจน์เองได้ไม่ต้องมาทางคนอื่นจากคุณนริมนเวลานอนต้องเจอความฝันอาการจิตทำให้หวาดกลัวแต่รู้ลมหายใจจะดับวูบลงแต่จิตหนึ่งบอกว่าถ้าลมดับก็ตายหนูเคยลมหายใจดับมันก็ไปโผล่ไปดูสิ่งต่างๆบางทีลมดับมันก็ดูกายของตัวเองจะเป็นเฉพาะตอนนอนเจ้าคะ่ะคุณทาอย่างไรคะ ให้รู้เฉยๆไปมันไม่ได้เป็นของจริงอ่ะถ้ามันดับจริงมันก็ตายไปนานแล้วไม่ต้องจะไม่ได้มาพูดมาคุยกันตอนนี้แร้วนั่นก็เป็นของหลอกเป็นภาพลวงตอนนี้ท่านถามหมดหมดแล้วเวลาเห็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นสกใจยินดียินร้ายไปกับมันรู้ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านไปแล้วมันก็เหมือนก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปมาคิดเอาม า, าอะไรให้มันเสียวให้มันมาปวดหัวมันผ่านไปแล้วมันเป็นไรให้อยู่ในปัจจุบันพยายามรักษาใจเราให้สงบให้นิ่งไปอย่างเดียวจากคุณพัดค่ะ เมื่อพ่อแม่เราตายไปหลังจากชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรนำอัฐิไปลอยอังคารทั้งหมดหรือว่าเก็บไว้ในโกฎบางส่วนเพื่อเราลึกถึงท่านในอนาคตดีครับเกรงว่าเมื่อถึงรุ่นลูกหลานเราแล้วเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญครับก็ตามใจตามใจแล้ว จากคุณสุกัญญาการปฏิบัติดูร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเวทนาตัวเองและรู้สึกหดหูใจเศร้าใจควรทำอย่างไรดีคะก็ให้ท่องพุทโธพุทโธ ไ, ไปอย่าไปสนใจกับว่าความรู้สึกให้อยู่กับพุทโธพุทโธ ไ, ไปเดี๋ยวควา ม, ามหมดหนะูมันก็จะหายไปนนีคำถามอี้ไนะมีกายอยากจะถามอีกไหม วันนี้ฝนฟ้าจะมานะถ้าไม่มีก็จะได้ให้กลับบ้านกันก่อนเดี๋ยวนมาแล้วมันจะยุ่งก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิ